เปลี่ยนบรรยา ก, กาศเพราะปีนี้สุขภาพไม่ดีนี่ขออนุญาตพระสงฆ์ทัางไหนไปจำภาษาสาังเฉ็ๆแล้วก็ตั้งปริทานต้องปัดนาว่าปีนี้ถ้าหากว่าสุขภาพพอเป็นไปได้ก็จะพยานนยามไปเยี่ยมสาขาของพวกเราทา ง, ทางใต้และทางเหนือ ้ามันเป็นไปหลังจะไปเยี่ยมนันดายานี่ก็พอดีฝ้าฝนขาดแห่งแรงไปมาสะดวกก็เลยกลับรดออกมาไปเที่ยวเยี่ยมญาติโยมไปทางทาเตัอดีผู้ดีไปประชุมอยู่ที่วัดอาจารย์อันนี้ สังสะทังลายมารวมกันทั้งกันธนารักษ์สังเดชมีลมมารวมกันทางอำเภอ้มยืนมารวมกันที่นั่นเพื่ไปอบร ม, มเรื่องธรรมะของเราที่จะอยู่ตลอดเพราะว่าปัญญ า, านี้ คิดญาณอุสิตและทาง้งหลายนั่นเนอะมีการเคลื่อนไหว น, น, น้นนอยพระน้อยเนียนน้อยในการกประพฤติปฏิบัติก็รู้งั้นก็เคยเอาใจใส่ดังนั้นพระเราก็น้อยไปน้อยไปวัดหนึ่งวัดนึ่ไม่มีพระหลายองค์มีองค์งเดียวก็มีสององค์มี่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 ได้เดินทางมาจากโน้นมาถึงวัดน้องตะพงจะมาเจมาวานพอพอดีโยมที่เฝ้าวัดน้องตะพงเคยีจกจัมั้มโยมทิพย์นี่ทิฏษ า, าประตูนตายแลยตายยังเป็นไข้เบบตายเฉยๆตายแล้วก็ฟื้นจัดเถ้าสุก ทำพรนนที่เสร็จแล้ว อ, อาวุธขนมาเยาย่ำทางอาจารย์จยันอาจารย์บุญตุปอาจารย์บุญทางานั้นย่ำวิญญาณฤทธิ์แล้วก็มาที่นี่เวลาไม่ค่อมากอะไรน ะ, ะว่ามีอาจารย์เที่ยงอาจารย์สีติดตามมาด้วย การสัตหามาแล้วบางบางวงเลยสองวันสามวันมาแล้วยังมีโอกาสมาแวะวัดวัดป่าวัดป่าโคกวนวัดอาจารย์มหาสํารามสุม่งมาถึงจะมาแวะก็เห็นพระนีเหนที่มาอาศัยท่านยอยู่ พอสมควรเลมากปีต่อๆมามันมากกว่า น, นี้ปีนี้นอ้อยกันดูเหมือนว่าขาขาวัดของเราลุกดูเหมือนว่ามัานน้อยไปตัววันตัววันไม่เป็นธรรมกาดูการเคลื่อนไหวของการปฏิบัตินี้จืดจางกันพระก็ไม่ค่อยเก่งแต่ที่แบบเน้นก็ไม่ค่อยเก่ง ในรูปมันเป็นพระบุญวาสนาของเราหรืออัมีความขี้เกียจไปนี้ดูด้านหน้าจะมีความขี้เกียจมากกว่าเราเป็นนักบวชนักโทษถ้าเราขาดการปฏิบัติการหน้าที่ของพระองค์องแล้วมันจะน้อยใจคอยใส่ถอยเรียกกันเหมือนพระอาจารย์ข้งแรมดีไปดีไปดีไปจนจะหมดพอขาดการปฏิบัตินี้มันก็เสื่อมไปเรื่อยไป อันนีนนน้ขาดการเดินจงกรมขาดการนั่งสมาธิขาดการปฏิบัตินาสนาขาดการอุปถาตรูวอาจารย์ขาดการเรียนพระธรรมวินยัยสอบประพฤติปฏิบัติแ้วนี้ก็ขาดไปเรวยๆกัน เงิ น, น ม, มันไปหมดไม่สมบูรณไปเลยอยู่ดีอย่างนี้ในสมัยก่อนอเช่นอาจารย์เดืองฤทธิ์ยังอยู่มหาชําดาญ ย, งยังอยู่สมัยนั้นอืรุ่นโตกว่าอาจารย์เที่ยงอาจารย์จันรยังอยู่อืแเราก็เป็นประธานครับสดันั้นเราก็ยังไม่แก่อืแล้วก็เข้มแข็งเหมือน ก, กันดูสิตัวเข้มแข็งเหมือนกันไม่ยอม ถ้าไปไประชุมบรรพะแปดค่ำเต็มห้าค่ำถ้าเราไปนั่งเทศเลยต้งพระเน้นนั่งนิ่งคล้ายอ่ะควดปัจฉะก็ไม่ค่อยไปเอามันเกืจนเต็มที่มันคารุปะคารุกูบาอาจารย์สอนอะไรให้ทุกสิ่งทุกอย่างพยายามเอาไปจำเอาไปพิจารณาไปทำ ไม่บอกยากไม่สอนยากพูดง่ายสอนง่ายแครอวัดปฏิบัติมันก็เริ่มเจริญขึ้นเจริญขึ้นเรื่ยตอนเย็นมาทาวัดเสร็จขึ้นธรรมะนั่งเทศภาบินายสงฆ์โวยดุวยเทศจบแล้วกลับมาเทศอีกเทศจบแล้วกลับมาเทศอีกแม่เลยอยู่ เกศรีนงโดยมากพระไม่เคยจะทำอะไรหรอกมาฟังเทศมาปฏิบัติกันนี้ของรูปประตูวันมีของรูปประตูวันมาฟังธรรมมาปฏิบัติเพราะเราเห็นว่าพวกเราเป็นพระกรรมฐานอยู่ในป่ากันทำกรรมฐานกันจะไปศึกษาเราเรียนประโยคประทานนะเหมือนพระที่สูอื่มเมื่ก็อําบากก็เลยพยายามปฏิบัติ พี่ิในไม่เรียนเก็ศึกษารือรู้จักจะช่วยกันมาดีขึ้นดีขึ้นต่อมาจึงมีภาคการเราเรียนเนิดน้อยสอบไปถึงมทําอกก็อยู่เกิดแล้วพอถึงทำเอกวก็พอแล้วถ้าเราจะต้องปฏิบัติต่อมาก็ให้เรียนหนังสืออย่างน้อยเดือนัะสามปี ไม่มากอะไนักก็เป็นเต้เาพ้อสำหรับที่เราปฏิบัติคุ้มจือของเราทุกวันนี้บางแห่งการเดินตามที่เราทำมาคก็น้อยการอ่านผูพสิขาวรรณนาเรื่องพระวินัยนี่ก็ไม่ค่อยอ่านอ่านก็น้อยถ้านเรียนที่บวชเราเน้นเรื่อง พระอินทรนั่นคืออะไรอย่างไงไม่รูร้จักนอะนอันนี้อันหนึ่งก็เลยเป็นเหตุเป็นเหตุให้เราย่อหย่อนทําไมถึงย่อหย่อนไม่รู้จักความหมายของการบวชบวชมามีความหมายอย่างไดจะต้องทําอย่างไรเช่นละพนาเราจะต้องรู้จักามมาการจะทํอย่างไร แด้กรู้จักความหมายของการทำนาจะทำมาเพื่ออะไรทำมาทำเพื่ออะไรอย่างนี้แล้วก็รู้จักทำนาเพือ่อเอาข้าวเอาข้าวมาทําไมมาบริโภคให้มีชีวิตเป็นอยู่อย่างนี้เราเข้าใจสกปรกมาเรียนทำนากันก็พยายามทำมาตลอดพ่อแม่รูร้านมาทุกวันก็ยังทำนามาพอเรารู้เรื่องของการทำนามีประโยชน์ อย่างนี้ถ้ า, าว่าเราทํานาไม่รู้ประโยชน์ของการทํานามันก็ไม่เป็นทํานาการประพฤตปฏิบัตินี้ก็เหมันกันถ้าเราไม่รู้เรื่องของการประพฤตปฏิบัติของธรรมนาแล้วมันกะรับบรรเทาเสื่อมไปเสื่อมไปเสื่อมไปคือคนไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องพระเมรบวชพระบวชใหม่ก็ไม่รู้เรื่องเมรุบวชใหม่ก็ไม่รู้แม่าจะ ก, กราบไปยังไม่เป็น จะปฏิบัติอุปชาอาจารย์ย ก, นนก็ยังไม่เป็นอืมจะอะไรก็ยังไม่เป็นอืมเรื่องเขาทำยัมมไนไงเรื่องขอวัดปฏิบัตินี้มันก็ยากเมื่อเมื่ออันนี้มันหมดไปรุ่นใหม่ขามาไม่มีอะไรติดต่อกันแต่เพื่ อ, อเรื่อยเรื่อยไปท้นที่สุดก็ขาดยุค ข, ขาดสมัยอืไม่มีใครดําเนินต่อตามรเพื่อปฏิบัติอันนั้นก็หมดไปเรืยเรื่อยไปโลกโลกมันอยู่ธรมรมดา เฉพาะมนุษย์เรามันต้องมีหน้าที่ที่จะต้องทำอยู่เฉยๆนี่เองครับเมื่อเราประสบการบารมีจิตจะมันจะเห็นเห็นบาปเห็นบุญเห็นคุณเห็นโทษเห็นประโยชน์วิเัยประโยชน์ในการกระทําอย่างนี้ในการที่กระทาอย่างนี้นี่จะเป็นความรู้เกิดจากการศึกษาให้เข้าใจอันนี้ก็อาจบกพร่องไปบางแห่งบกพร่องไปเหตุบกพร่องเพราะอะไรเพราะความขี้เกียจ บางทีอุปจารอาจารย์พยายามเทศให้ฟังลูกศิษย์สมัสนใจที่จะฟังที่จะเข้าใจทําไปทําไป ท, ไปทไปําไปก็ไม่ได้ผลอะไรเหมือนชาวปรพมงก์เขาทำปลาแล้วเขาไปทอดแห้งทอดกะทางวันกะทางเดือนก็ไม่ได้ปลาสกตัวกเขาจะทิ้งเขาก็เลิกแันนี่เลยนะครัยาจารเทศให้ใฟังไม่เข้าใจไม่ใส่ใจที่จะไม่มีความรู้ พันนันนันไระอาจารย์เบียงยิสอาจารย์มหาสันสดานตรแก่เหนื่อยเนี่ยอืออาจารย์ตัวเหนื่อยอืมรู้ชิดตัวขี้เกียดไม่เอาใจใส่เข้ากันผลดีเลยอาจารย์ตรแก่แน่เห น, เนื่อยนะลูกชิดตัวขี้เกียดอือไม่ยนี้ใครมาสนใจในธรรมะม ก, กันนี่ก็หมดใครโดยปริยายนดี นันหมดโดยเทีย่ยนนี้นี่คืนั่นการกระทำของเรานั่นจึงไม่เคยได้ผลทําไมถึงไม่ได้ผลเพราะว่าไม่ทำเพราะไม่ทําทําไม่ทําไ ม, ทไม่มีใครช่วยทำเจาทั้งหลายอยากจะสวัสดการช่วยก็จะโน่นไม่อยากจะให้ตายไม่อยากจะให้แจ้ พวกเราที่มีมาหน้าที่จต้องทำไม่ไม่อย่างนั้นแต่ความเมตย์อาจารย์มาหาสาําราณดวงฤทธ์แก่มาสักหน่อยเห น, นื่อยการงานของท่านมีอย่างดีเราก็ทอนหน้าที่ขอวัดปฏิบัติการรักษาเจนาสนะทุกอย่างนี้ทําแทนขึ้นถ้าเรารู้จักไม่ทําอย่างนี้ขึ้นเ อ, อไปดูที่ไหนไปดูห้องน้ํำก็พอ เน้วัดนี่จะขยันไหยพระใหม่วัดนี่จะฉลาดไหมไปดูห้องน้าห้องซุง้มนั่นอาจารย์ใหญ่เลยวัดวนะนะอาจารย์เรืองนิดวัดไทยทุกวัดอยากจะรูปพระใหม่เน้นใหม่หไปดูห้องน้าห้องซุง้มเปิดปัะตที่ม่งชุนปันยเยิวเด็ เห็นไหดันเพื่อนโมไม่มีใครเช็ดไม่มีใครล้างนานๆไปก็เข้าไปเองเช็ดไม่ล้างดีนะพราะอุตส่าห์ไปถ่ายถึงหลีจกจะไปล้างมันก็ปกะปกๆไอ้คนนี้ก็ทําอย่างนั้นคนนั่นก็ทําอย่างนี้คนนี้ก็ทําอย่างนั้น่นนนนนนวไม่มีใครล้างเนี่ย ม, ม, มหาศาลไปเองก็ตัดหน้ามาล้างเอง อาจารย์เดิยิ้มมาแต่ร่างเองนี่ตอกไม้ที่เราเขามาบวชมาปฏิบัติกับเข้ามาเรียให้พระอาจารย์ปฏิบัติเราล้างช่วงให้เรานี่เราไม่รู้จักพราะประวบแล้วเสื่อมไปเรื่อยทีนี้อยากรู้จักพระใหม่เน้นใหม่มัดนี้มีความสําคัญดีถ้าไปดูช่วงไปดูกติก น้ำดังข้าวครูบาอาจารย์เรรียบร้อยนี่มันจะสะอาดตามพระธรรมในนัย น, นั่นเลเยไอตรงนี้พระเด่นยังปฏิบัติอยู่พระเด่นบัดนี้ยังทรงข้อวัดอยู่ยังไม่เสียหายอะไรไม่ต้องไปบอกเขาเขารู้ไม่มีใครทั้งโกเขียนสิ ถ้าเขียนอย่าง น, นี้คนขี่ก็เป็นอย่างนี้หมาขี่ก็เป็นอย่างนี้แมวขี่ก็เป็นอย่างนี้คนขี่รังร้างแมวขี่ตะกลบหมาขี่ไปเลยเห็นไหมนิดน้อยเข้าใจไหมเราจะเป็นคนหรือเราจะเป็นแมวหรือเราจะเป็นหมาดูดิถ้าคนขี่รังร้าง แมวขี้นั่นตกตกคนขี้ก็ได้หมาที่นี้เลยอ่านดูเออนี่จะอ่านเอ อ, อนีน้จะดีเลยเราเป็นแมวหรือเราเป็นหมานอนหรือเราเป็นคนนอนท่านหลังขอแล้ว น, นี่คือไม่มีใครจะต้องทำทดีอะไรมานี่คืองานสูงอยูก่การงานการ ล้างซ่อมทำซ่อมให้สะอาดนี่คืองานสูงไม่ใช่งานต่ำถ้าคนโง่แล้วก็ว่างานต่ำควรให้คนเฉยๆเขาทำนั่นคืองานสูงคนมีบุญน้อยไม่ได้ทำคนมีบุญไหนได้ทำในล่างไม่ทำให้สะอาด ปติเราอยู่มันสะอาดที่อยู่มันสะอาดห้องน้ําห้องส้วมมันสะอาดไม่ต้องเทศมากหรอกไม่ต้องเทศหลายหรอกเขาไปดูห้องน้ำก็รู้จักห้องส้วมก็รู้จักไปดูเช้นอาสนะตะกีตก็รู้จัก ไ, ente, ไม่ต้งเทศก็ไดนนน้นั่นแหละคือเทศแล้วนั่นแหละคือเทศแล้วรู้แล้วนั่นคือการปฏิบัติที่ถูกต้องอันนี้ให้เข้าใจไว้ ที่นี้พูดถึงการบวชการเคลื่อนไหวการเคลื่อนไหวของพวกเราตัวนนี้ในเวลานี้เราเข้าใจว่าคนมันมากโวยกันคนมันมากโดยันอย่างจะปูกต้นไม้เราจองการผลประโยชน์ทั้งหมดแล้วต้องใส่ปุ๋ยมันแล้วต้องรักษามัน ต้นไม้อื่นเกิดไม่จะปวบคุมมันต้องชําระมันแต่ดินพราอากาศมันจะสวยมันจะงามอันนี้เหมือนกันเราข้าข้อปฏิบัติมันห่างกันออกไปออกไปลูกศิษย์ไม่เคยพูดกับอาจารย์นานๆอาจารย์ไม่เคยพูดกับลูกก็ห่างกันไปเรื่อยเราห่างจากการไปไม่ได้จากกันนานๆคนปฏิบัติ จำพวกของเหล่านี้แล้วก็ไม่รู้ว่าใครมันเป็นอย่างไรใครปฏิบัติอย่างไรไหมทาถูกแนวทางเราไหมะไม่รู้ไม่รู้จักและไม่รู้จักคนที่จะเข้ามาไม่รู้จักบริษัทบริวารของเจ้าของไม่เลือกบริษัทบริวารของเราอันนี้ก็ลำบากเป็นการบวชอย่างนี้เราบวชตันเราพยายาม ศึกษาเช่นหาคนที่สมควรหาคนที่ ม, ทมีศรัทธามาอยู่ด้ยวยกันมันถึงด้เรื่องกันยังนั่นการบวชในแต่ลงเลื่อพยายามทำในเลื่องกร ม, มรรการศาสนาตัววันนี้กำชับธรรมาเพื่อเคลื่อนไหว การบ้านมึงนมันเคลื่อนไหมการบวชตองเลือกดูจากหัวีนปายนอนรูจากอะไรอะไรหลาหลายอย่างเช้นในบวชคนว่ายากสอนยากสวนมากที่คนนีความผิด จะมาบวดเป็นชีจะมาบวดเป็นเขามาบวดเป็นเมน ين, เป็นพระภายในตัวเองโดยมากทุกนะวันนี้มันมีปฏิปักษ์มีข้อปฏิปักษ์ด้วยในพระธรรมดินายของเราใจมันเป็นวิสภาควิสภาคเช่นว่าต้องรู้จักคนเป็นวิสภาคคือคนที่ไม่ มีความเบื่งสายแย่งแย่งในพุทธศาสนาของเราเป็นวิสพ้าทัทถ้าเอามาบวชมันจะทำลายพุทธศาสนาของเราเสี่อไปจะมาดึงมาแจก อ, ออกไปมันเป็นวิสพ้าทมาทำลายดักพุทธศาสนามาทำลายครูบาอาจารย์ทุกอย่างหายไปต่อไปรัฐทีพุทธศาสนานี่ยมันจะหายไปหายไปโดยรดิยาย นั่นคือจะกันคนที่ทนไปทนมา จ, า, นาจะบวชเป็นพระจะบวชเป็นชี่จะบวชเป็นลงท่านให้รู้จักยาบวชทนไปทั่วๆอะไรนี่ได้สงษา้าหากวามันติดปกติระเบิดนะการเคลื่อนไหนของการปกติปฏิบัติของเรนะาน่ะพระสงฆ์มันมันเป็นมาแล้วมันน้อยไปท้อไปท้อไปเ ย, ย, ยอะแล้วอไปอยอะแล้การปฏิบั ต, มติมันน้อย แต่ความเสี่ยมันจะพื้นพานเสมอมาทกวันทกวั น, วนอันนี้เราต้องพย า, ายามชงไว้ศึกษาครูบาอาจารย์จะทาอะไรเราเรียนครูบาอาจารย์ให้ตัวอาจารย์รู้ด้ว ย, วยอืตีนี่เราจะสอนการบวชให้แม่ชีมาบวชมาจะทีขข่ไหนอะไรมีอะไรไหมใครตรง น, นั้นมันรู้จักหัวจีนไปนอนกันอย่างนั้นเอาสาอบยิ่งสัพามาบวช คือจะมาทำรายข้อวัดปฏิบัติของครูบาอาจารย์นอาให้เสียไปทุกวันนี้ยิ่งแล้วผู้คนที่ปั่นป่วนไปมาสารพัดอย่างเนืหาในยาตินี่ฉะนั้นเราเป็นผู้ปฏิบัติจะต้องตั้งใจข้อวัดปฏิบัติเราสอนมาแล้วทุกวันนี้ในสกัดสี่สิบกว่าสถขาแลวนัําเนินมาไม่มีอะไรแต่มาส่งระยะปีนี่ แตกต่างไงพระเนรก็ฆ์ไม่เอาใจใส่เมียชีก็ไม่ใสาใจใส่ถอยไปถอยไปมันก้าวเขาไปสู่ทางกามมรรคใช่ยินดีในรูปใน เ, ในเในสียงในผิดในรถโธตบาตมรายอะ่รทิ้นีปเห็นไหมญาติโยมหนุ่มมันจังหวะเด็กจนแก่เห็นไห ม, ห ม, หไหมตอนเดนเดือ น, นก็ททำอะไรกันดูธรรมทานแบบนี้ไหมคนแก่ๆฟันดูเขาชกาเลยต้น เต็มมีเื่อเหตุการณ์เลยไหดึงดูดจิตใจมาใส่อย่างนั้นดูแลเอา้าลงเงินกันเื่อการธ น, นันด้วยวุ้นตลอดบ้านหึ่งว่านปลาว่านดงในเมืองในนาเต็มในนี่เหตุการณ์้เข้ามานี่ทำให้เราว่าวุ้นในบ้านในเมืองในจิตใจของเราตัวมีหัวมีเมือมีคาราวาหลายอย่างพวกคาราวาสเย่ยทำตามสัดส่วน ดัง น, น, นั้นประการตั้งใจดูนี้ก็ให้อาจารย์มหาสัมดาเป็นผู้ดูแลที่ประกางนี้จะมีะพักข้ามคืนด้วยคือมารีบรวนหลายองค์มาด้วยกันสัดจะ้ะางมาบางองค์สามวันมาแล้วสี่วันมาแล้ว จะเดินทางต่อไปพัฒนาจารย์กินารีจะกลับวันนี้วันนี้จะไปพักที่นั้นอันนี้ผ่านมานี้ก็ขอมาเยี่ยมให้ความเห็นให้ความรู้การพอสงควรเด็ก จ, จะไปอาจารย์เที่ยงอาจารย์ศรีอาจารย์ราารยงังฤทธิ์นอกนั่นก็มีคารวาสีสามไปด้วย จะตั้งใจไป จ, จำวัดที่วัดมันจ้องพรุ่งนี้ยังไม่รู้เราจะไปทงางไหนก็ยังไม่รู้อาจจะกลับวัดมากกว่าก็ยังไม่แน่เหมือนกันตกชีของเรามีกี่คนฮะชี้ไม่ได้ชี้เก้านะ่ะเอ เต่าวดไมเต่าสามซี่ส อ, อ, อดจะบบันสอดหมันมาสอดขัไดไอยู่ได้นี้ต้องซี่ให้สอดมันจะขัดอยู่ซี่สอดจะขัดอยู่หาใจบ่ละอเอาไปแพ้บนหน้าเลยไปถามบจะของมึงมาเลย น, น้องบอานซี่อดที่นน ใจว่าหละ่ะขันที่สอดแตมันคัดแต่มันอ ย, ยู่ที้กระสอดแตมันดุเ <laughs> น, นี่มันหมดูแล้วยิ่งบอกไปเพราะหน้าเร้อสามคนธนานละ่ะพอดีแล้วพายูยิ่งบอกสมุทรพายูว่าพอกนมาเอาละเนนะคอยูเดี๋วกับพอกินเดีวเ ท, ท่านั้นแหละ อยู่ได้กันนะอืม